ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงหลวงปู่เทศเทศรังสี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 รู้สึกตัวอยู่เป็นกลางๆเป็นปัจจุบันอย่างนี้แหละที่จะเป็นปกติสบายสบายทุกอย่างไม่เกิดขึ้นนะแต่ปล่อยความคิดมาครอบงำเมื่อไหรลนะ้วก็เดี๋ยวเริ่มลนะเริ่มไม่เป็นกลางนะฮะเริ่มไม่เป็นปกติลนะที่เราเนี่ยต้องการเพียงแค่เนี้ยมันก็มีความสุขลนะอันที่จริงแล้วถ้าลรา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 เครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยกอย่ารักษาโรคยังพอดีไม่ขาดไม่เกินถ้าขาดไปก็มีปัญหามากเกินไปก็มีปัญหาอาจจะมีส่วนประกอบของกายก็คือการออกกาลังกายการที่ต้องมีการเคลื่อนไหวนะการพักผ่อนการขับถ่ายการอยู่ในอากาศที่ ป, ปลอดโปร่ง ทายเทยได้สะดวกชีวิตส่วนกายเนี่ยต้องการเพียงแค่นี้ว่านั่นเป็นส่วนเกินนะครับต้องการแค่ปัดใจสี่การอากกำลังกายการพักผ่อนการกลับทายการอยู่ในอากาศที่ปลอดโปร่งเพียงแค่นี้กายก็อยู่ได้แล้วว่าเป็นความพอดีแต่ร่างกายส่วนความพอดีของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นอาจจะต่างกันบ้าง อย่างเช่นว่าเรื่องอาหารบางคนอาจจะทานอาหารชามเดียวอิ่มแล้วอันนี้คือพอดีของเขาบางคนต้องสองชามบางคนต้องสามชามจึงจะเกิดความพอดีการนอนก็นเหมือนกันการนอนการพักผ่อนเนี่ยแต่ละคนนี่มีความต้องการทางร่างกายให้เกิดความพอดีนีมันต่างกันอาจจะไม่เท่ากันการใช้เครื่องนุ่งโฮมบางคนต้องใช้หลายชุด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 ขึ้นนจิตใจเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากต้องการภาวะที่สมดุลทางด้านร่างกายและจิตใจไม่ให้เบียดเบียนกันใจมันก็จะมีความสุขบางทีเราคิดมากพูดมากทํามากปัญหามันก็มากมันก็เหนื่อยมากบางทีมันก็ทุกมากด้วยแต่ถ้าเรา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 ดล้นนแสวงหาไปมากสเพียรใดก็ตามสิ่งเหล่าเนี้เราก็ติดตัวไปไม่ได้หรอกเขาไม่ใช่ของเรานะเราหามามากเท่าไหร่เนี่ยหรือเท่าไหร่นี่มันก็ไม่ใช่ของเราเขาเป็นกองธรรมชาติก็จะติดตัวเราไปไม่ได้เลยคืเอเราตายไปเนี่ยจะติดตัวเราไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลหรือคุณงามความดี ที่เราได้สั่งสมเอาไว้สิ่งเหล่านี้เป็นแก่นสารสาระของชีวิตที่แท้จริงที่จะติดตัวเราไปในความสุขของผมเนี่ยการสแสวงหาหรือวเป็นรายรับกับการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่ารายจ่ายสองอย่างเนี่ยถ้ามันสมดุลกันแล้วก็มันก็มีความพอดีมันก็ไม่เดือดร้อน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 รายรับนี่มันสำคัญอะไรเพราะฉะนั้นหลักธรรมนที่นำพาชีวิตพอเพียงนั้นจะบอไปแล้วก็คือทางสายกลางสรุปลงที่ความรู้ส่วนอันนี้ถือว่าเป็นหลักธรรมนำพาชีวิตที่พอเพียงตามทัศนะของผมนะถ้าเราปฏิบัติตามนี้ได้แล้วก็ที่เราจะมีความเป็นปกติอย่างพอเพียงอะไรก็ตามเราต้อง มีเวลานะหันกลับมาดูตัวเองหันกลับมาดูกายดูใจของเราด้วยความรู้สึกตัวเราก็จะได้คำตอบเดียวกับเรื่องความพอเพียงหรือทางสายการ